คือชาวนาสุดท้ายห้าดวงสุดท้ายเนี่ยนะมันไม่ใช่เป็นตัวนำเกิดอะไรมันเป็นสะพานของพบใหม่เนี่ยนะเป็นสะพานของพบใหม่เพราะตัววิถีจิตก่อนตายเนี่ยนะเาเรียกว่ามรณาสานวิถีเนี่ยไม่ใช่เป็นตัวนำเกิดเป็นตัวที่หน่วงอารมณ์มาเฉยๆกรรมในอดีตนำเกิดอย่างว่าถ้าถ้ามองว่าปัญจทวาราวัชณะเกิดอนนะ แล้วก็ทวิปัญจะสังนะวุนะวนะทวิปัญจะสัมปติช น, นะสันติรณนะโวทัพนะถ้าชาวนะห้าดวงสุดท้ายเนี่ยเป็นอกุศลส2บสองนะจุติเนี่ยจะตอตถาแล้วจุติก็มีนนะจะต่อด้วยภวังและจุติก็มีจะต่อด้วยชาวนะเสร็จก็ จุติเลยก็มีถ้าชาวนะเนี่ยเป็นอกุศลสิบสองปฏิสนธิหมดเนี่ยนะจะต่อมาจากฟังนะปฏิสนธิอันเนี้ยอาบายสี่อย่างเดียวเพราะว่าตัวเนี่ยเป็นตัวเชื่อมชาวนะจิตก่อนตายเนี่ยนะเป็นปัจจัยแก่ปฏิสนธิโดย ปกตูปนิสยปัจจัยแต่ถามว่าแล้วกรรมตัวไหนมานําเกิดก็ดูถ้าดวงที่เจ็ดในชาตินี้สามารถไปนําเกิดก็ได้อันนี้จะเป็นเรียกว่านานักคณิกกรรมะประเภทอุปัชาเวทนิยกรรมนําเกิดถ้าดวงที่สองถึงดวงที่6กในดีตชาติไปนําเกิด เรียกอะไรก็เป็น น, าขาขนักขาคณิกกรรมเรียกว่าอีกชื่อหนึ่งว่าอปรารปริยะหรืออีกชื่อหนึ่งว่ากตัตาวาพณกรรมกระตัตาวาพณกรรมไปนําเกิดเพราะฉะนั้นขอให้อกุศลเกิดก่อนตาอย่างเดียวเนละเปรียบเหมือนว่ามีคนคนหนึ่งนะเดินไปสะดุดอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันต้องขึ้นโรงพักนะ ไอเรื่องนั้นไม่น่าเข้าคุกเข้าตารางอะไรหรอกแต่พอ ข, ขึ้นไปแล้วบัญชีตัวเองบนนั้ น, น่เต็มไปหมดเลยลกระจับเข้าคุก ส, สบายๆเลยนะจะด้วยเหตุใดก็ตามเหอะมีธุระขอให้ขึ้นโรงพักอย่างเดียวนะหลังอย่างนั้นก็เฝ้าตารางได้เลยหรืออีกนายหนึ่งไอชาวนาก่อนตายเนี่ยนะมันเปรียบเหมือนขอมาคิดเองเหมือนนายหน้าเนี่ยนะเหมือนนายหน้าที่จะพาเราไปสู่ที่ไหนตัวนี้เนะี่ย แต่ว่าตัวที่ให้ผลจริงๆมันกรรมในอดีตในปัจจุบันนี้ก็มาไล่ดูว่ามีครุกรรมทำไวไหมถ้าชาตินี้ทำครุกรรมที่เป็นอนันตรยกรรมวิถีสุดท้ายต้องเป็นอกุศลโดยส่วนเดียวนะเป็นเรียกว่าเป็นจิตนิยามาต้องเป็นอกุศลโดยส่วนเดียวถ้ากรรมไม่มีอะไรนำเกิดแทนเรียกว่าอาสันนกรรม อาสันกรรมแปลว่ากรรมที่คิดถึงตอ ก, ก่อนตายถ้าคิดถึงกรรมใดกรรมนั้นจะให้เกิดเช่นนึกถึงไปด่ามแม่ไว้คำหนึ่งคำนั้นน่ะนำเกิดหรือถ้าคิดถึงตอนทาตานาติบาตไอ้ ก, กรรมที่ทาตานาติบาตจะนาเกิดอันนี้เรียกว่าอาสันกรรมถ้าไม่เป็นอย่างเป็นอะไรก็เป็นพหุลกรรม พหุละกรรมัมถ้าไม่มีทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยนะถ้าไม่มีทั้งหมดก็จะเป็นขึ้นบนนะจะเป็นกะตะัตตาวาพนักกรรมแต่ว่าตัวอาสันนกรรมเนี่ยตัวอาสันนกรรมเนี่ยถ้าไม่ได้เป็นอารมณ์ของตายทางปัญจภาวานเนี่ยจะเป็นเนี่ยคาุกรรมนี่มาให้ผลหรือเป็นพหุละก ร, รมมาให้ผลจะไม่เป็นอาสันนกรรมเพราะว่าอารมณ์ใน ปัญจทวารเนี่ยอารมณ์ น, นั้นไม่ได้เป็นอารมณ์ของอไม่ใช่ตัวอาสัญกรรมอะไรเพราะฉะนั้นกรรมที่มานําเกิดเนี่ยนะอาจจะกรรมตอนทําในปฐ ม, มวัยก็ได้ตอนมัชชิมวัยก็ได้ตอนปัจฉิมวัยก็ได้มาให้ผลนําเกิดได้หมดเลยเพราะฉะนั้นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทุกครั้งที่เราพูดไปนะร้ายผลไหมเนี่ยนะถามว่าทั้งหมดทําไมกรรมมันจึงให้ผล เพราะแม่แท้ๆเลยนะตอนฆ่าแม่แล้วไม่เป็นบาปไม่เป็นอ น, นเ น, นตยตกรรมก็คือแม่คือตันหานี่ฆ่าเธอเนี่ยนะทอคือกรรมมันจะได้เลิกระรานสักทีหนึ่งเนี่ยนะทั้งหมดที่กรรมให้ผลเนื่องจากตันหานี่มันตัวเชื่อมอไว้ตัวเชื่อมกรรมและเชื่อมผลของกรรมทันสรุปว่าปัญจวัตถุเนี่ยนะปัญจวัตถุตัวนี้เนี่ยที่จะต้องปิด ปิดไม่ให้บาปเกิดขึ้นทจริงอ่ะเรียกเหมือนเรียกว่าโดยโวหารนะแต่จริงๆอ่ะปิดชาวนะไม่ให้ชาวนะเป็นอกุศลทีนี้เมื่อเห็นได้ยินเป็นต้นจะไม่เป็นอกุศลเนี่ยถามว่าทำได้ยังไงเขาบอกว่าให้ตั้งสติเอาไว้ตั้งกระเรียกเลยที่จะเห็นอะไรที่จะได้ยินอะไรอะนะที่จะไปฟังอะไรเป็นต้นเนี่ยนะตั้งสติเอาไว้เลยอย่างเราขับรถออกนอกบ้านเนี่ยตั้งสติไว้เลยได้ไห ได้ถ้าตั้งไว้ได้ก็ปัญจะทาวารที่เห็นที่เห็ น, ท, หนที่ได้ยินเป็นต้นจะไม่เป็นอกุศลถ้าตั้งสติเอาไว้ดีแต่แต่อย่าลืมว่าไปฝึกก่อนที่เขาพูดมีสงครามแบบพม่ากับพวกพม่าพวกไทยใหญ่หรือสงครามบางประเทศนะไปเอาเด็กอายุ12บขวบมาฝึกวิธีรบฝึกสักสามวันก็ส่งสนามเลยเนี่ยนะอะไรจะเกิดขึ้นนะตายเรียบส่วนใหญ่ พวกที่ไม่ได้ฝึกมาดีๆเป็นทหารที่โชนสงครามมาจริงๆนะยากปัญจทวารวิถีถ้าเราไม่ฝึกเอาไวด้ดีๆให้เป็นไปกับกุศลมากๆระยะยาวๆนี่นะับว่าเสียงมากานะถ้าไม่เจริญกุศลเอาไว้ระยะยืนระยะยาวนะโหเสียงจริงๆถ้าไม่ฝึกไวด้ดีๆเนี่ยเพราะว่าความว่องไวอะไรเราไม่มีเลยเราไม่รู้วิธีแก้จกับอกุศลวิตกให้เป็นวิตก ให้เป็นกุศลวิตตกเราไม่รู้จักวิธีเปลี่ยนอารมณ์เป็นต้นเนี่ยนะเราจะไม่รู้จักวิธีเปลี่ยนวิตกถามว่าโออันตรายขนาดไหนเสี่ยงมากๆเลยนะงว่าอย่าลืมว่าชีวิตของเราเนี่ยไม่มีความปลอดภัยอยู่แล้วไม่มีใครรับรองเราหรอกเว้นไว้แต่เรามีพระรัตนตรายเป็นอารมณ์มีโสดาปฏิมักเป็นต้นรองรับเราจึงจะมั่นใจแต่ถ้าไม่อย่างนั้นนะอันตรายมากเนี่ยก็ ทำหมทั้งหมดเนี่ยนะธรรมะคือการชําระจิตนะส่วนวิธีการชําระจิตนั้นนะ่ะทำยังไงที่เราจะชําระจิตเราได้นะแต่ถ้าเป็นรับอารมณ์แล้วโทมนัตเกิดเนี่ยนะตรงนั้นแหละประตูอะไรรู้ไหมคิดแบบง่ายๆในหนึ่งนะถ้าโทศเกิดประตูนรกถ้าโลภะกับโมหะเกิดนะประตูเปรตกับเดรฉานก็ดูเอาว่าวิธีสุดท้ายควรจะเป็นอะไรแล้วอกอกจ า, ากอกุศลเหล่านั้นได้อย่างไรพันธ์ การที่เรียกว่าจะต้องรีบเร่งในการฝึกการใครครวนการคิดรีบเร่งในการทําความเพียร น, นี่ยจึงเป็นข้อปฏิบัติที่ถูกจริงๆเป็นอปันลก่าปฏิปทาข้อปฏิบัติที่ไม่ผิดเรื่องเครื่องชาคริยานุโยคเรื่องความเพียรเรื่องอะไรเนี่ยนะมีความสําคัญจริงๆถ้าใครอินทรีย์สังวรไม่เป็นปล่อยจิตให้เป็นไปกับบาปไหลไปในทวารหกเลยนะหน้าการุณาเอามากๆเลยนะเมื่อวานเห็นเต่าอยู่บอ่อหนึ่งถ้าบอ่อนั้นไม่น่ากลัวก็โหแสดงว่า โอ้หนักมากขนาดอบายมาปรากฏยังสอนไม่ขึ้นเหมือนกันเถอะแต่ก็มีใช่ไหมคนที่ไปสังเวชกับไม่สังเวชไหนมีมากก ว, าว่ากันเมื่อวานเพราะตลาดตรงนั้นเขาไปจ่ายตลาดกันเต้มเนยนะไม่ได้สลดสังเวชอะไรกันเลยแต่ว่าก็มีบุคคลที่ไปสลด ส, สังเวชใช่ไหมให้อาหารเขาเป็นต้นปรารบว่า <c oughs> แซวบอกพีทว่านี่ไปบอกว่ามันน่ารักนะ เป็นต้นตะพวกนั้นจะเป็นต้นตะกูนะจะเดือดร้อนก็บอกเต่าน่ารักมากหลงั้นเออดีไม่จุติตอนนั้นน่ะก็ผู้การมีสูตรอินทร์สังวรแว่ายังไงบ้างถ้ารับอารมณ์แล้วจะสังวรว่ายังไงผู้การได้คาถาให้ฟังหน่อยท่านกล่าวว่าท่านว่า อินทรีสังวรที่บริบูรณ์ย่อมทําให้ศีลสัมปทาบริบูรณ์ศีลสัลสมปทาบริบูรณ์ย่อมทาให้สมาธิสัมปทาบริบูรณ์สมาธิสัมป enfin ทาบริบูรณ์ย่อมทำให้ปัญญาสัมปทาบริบูรณ์นะเพราะฉะนั้นลงมาถึงขั้นอินทรียสังวรทําให้ศีลสัมปทาบริบูรณ์เนี่ยนะฮะถ้าผูดด้ใดสามารถาปิดกั้นไม่ให้อกุศลเข้ามาทางทวารทั้งหได้เหมือนกับ ปิดกั้นไม่ให้ศัตรูเนี่ยเข้ามาเข้ามาปล้นบ้านเราได้เนี่ยนะฮะศีลของท่านบริบูรณ์แล้วหมายความว่ า, วาท่านปิดอบายได้แน่นอนเพราะฉะนั้นนะฮะจึงเห็นว่าอินทรีย์สังวรเนี่ยเป็นมูลลากแห่งการปฏิบัติธรรมเพื่อประโยชน์ตนโดยแท้เท่าอย่างนะั้นนะอินทรีย์สังวร น, นั้นเป็นมูลลากนะฮะในการปฏิบัติธรรมในการปฏิบัติธรรมเพื่อประโยชน์ตนโดยแท้ นะท่านอบอกว่าการที่จะมีอินทรีย์สังวร น, นั้นมีสองขั้นหนึ่งขั้นแรกคือขั้นสังวรด้วยสตินะฮะสังวรด้วยสติก่อนนะฮะขั้นที่สองคือสังวรด้วยโยนิสโสมนสิกานะฮะขั้นแรกคือขั้นสังวรด้วยสติก็หมายความว่าสติก็ มาเตือนท่านก่อนนะครับว่าสิง่งใดเป็นธรรมดาสิง่งใดเป็นธรรมขาวสิง่งใดเป็นกุศลอกุศลสิง่งใดเป็นประโยชน์สิง่งใดไม่เป็นประโยชน์นะฮะส ต, ติก็จะมาเตือนให้ท่านก่อนว่าเออสิ่งใดควรดูสิงส่งใดไม่ควรดูสิง่งใดควรฟังสิง่งใดไม่ควรฟังเนี่ยเป็นขั้นแรกเลยนะฮะถ้าสตินี่เป็นสติสังวรนะครับแล้วต่อไปก็ โ, โยนิโสมัส การสังวรด้วยระดับสูงขึ้นไปคือโยนิสวงมรสิการทำไงจึงจะคิดฉลาดเมื่อได้รับอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วสามารถทำให้จิตเป็นกุศลมหากุศลได้นี่แหละครับคือเป็นการคิดที่ฉลาดเป็นการสังวรในระดับสูงซึ่งคงจะต้องใช้เวลาในการในการฝึกในการรวบรวม ข้อมูลหรือว่ารวบรวมปริยัตให้มากพอจึงจะโยนิโสมนสิการได้ถ้าหากว่าท่านไม่มีข้อมูลไม่มีปริยัตไม่มีการฟังที่บริบูรณ์แล้วก็ยากที่จะโยนิโสมนสิการเช่นเช่นพระพิจุท่านเห็นปลวกอย่างนี้เนี่ยนะครับท่านก็สามารถมีอินทรีย์สังวรได้ว่าเออปลวกนั้นเนี่ยนะฮะมันมันก็หมายถึงว่ามีศีลสังวรนะปลวกไปไหนก็หาที่มุงบังไปตลอดเลยเนี่นะครับเพราะฉะนั้นเราไปไหนก็เหมือนกันนะครับถ้าเราไม่คุ้มครอง ตัวเองอย่างนั้นแล้วนี่ก็ก็ภูษณ์ก็ออกไปกินหมดนะฮะถ้าท่านเห็นปลวกท่านก็จังบอลได้นะฮะหรือว่าท่านเห็นสัตว์อื่นเนี่ยนะฮะในในในมินรินทปัญหาท่านไปอ่านดูนะครับมีตั้งร้อยกว่าเป็น100ร้อยตัวอย่างนะฮะเป็น100ร้อยตัวอย่างทีเดียวในมิรินธปัญหาเล่นเล่น ท, ท้ายๆหน่อยนะฮะเป็นเรื่องต้องยกตัวอย่างว่าถ้าเห็นอะไรแล้วนะฮะแล้วแล้วให้โยนิโศเป็นอะไรเนี่ยนะครับ มี Pie: มีมากจ <gerçek> ร <S. โ> ิงจริงก็ถ้าฝึกโยนิโสออกในหนึ่งะที่เราสามารถฝึกได้เลยเนี่ยอย่างสัตว์มีชีวิตเนี่ยเรารู้ไหมว่าสัตว์มีชีวิตเมื่อเรามนติการว่าเป็นสัตว์เนี่ยรู้เรานึกถึงศีลข้อปาณาติบาตของเราเลยนะหรือเราย้ำสมาทานบ่อยๆเลยนะเห็นมดเนี่ยเนี่ยนะวัตถุแห่งศีลของเราเนะ เห็นปลวกเห็นมดเห็นแมลงเห็นคนเห็นอะไรทั้งหลายแหละเห็นสุนัขเห็นอะไรเนี่ยนี่คือวัตถุแห่งศีลของเรานะเราสมาทานย้ําอยู่แบบนั้นบ่อยๆไหมนะที่เรียกว่าแม้กระทั่งมองเห็นคนเหล่านี้นี่คือที่ตั้งแห่งกุศลศีลของเรานะเขามีชีวิตเราจะไม่มีเจตนาคิดฆ่าเขาสมาทานย้ําเอาไว้เลยถึงไม่ฆ่าก็จําเป็นต้องสมาทานใช่ไหมถึงจริงอยู่ไม่ฆ่าหรอกโดยเหตุผลเราก็ไม่ฆ่าอยู่แล้วล่ะ แต่ขอสมาทานว่าเราจะไม่ฆ่ากับหมู่สัตว์ทั้งหลายเราจะไม่ฆ่าเขาเลยจะด้วยเหตุผลใดเราจะไม่ฆ่าเขาทั้งสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่สัตว์อยู่ใกล้สัตว์อยู่ไกลสัตว์ปริยายไรๆเราก็ไม่ต้องการฆ่าแต่ถ้าไม่สมาทานเอาไว้นะไม่แน่เดือดร้อนบางประเทศที่เรียกร้องสงครามเนี่ยเพราะอะไรทําไมเขาจึงเรียกร้องรู้ไหมเพราะประชาชนโดยรวมต้องการสงครามประชาชนโดยมากต้องการให้ไปฆ่าอีกฝ่ายหนึ่ง เรียกร้องเพื่อให้มีสงครามมันผู้นําก็เย่อเย่อทำยังไงที่จะให้มีสงครามขึ้นเนี่ยนี่คือเพราะไม่สมท า, านกุศลศีลข้อนี้ไม่สมท า, านว่าศัตรูของเราเนะี่ยคือวัตถุแห่งศีลของเราถ้าเราเห็นศัตรูเห็นเรียกว่าสิ่งมีชีวิตนึกถึงศีลได้สุขติท่านนึกในใจว่าเขาคือศัตรูเนี่ยนะก็ทุกคติละเพราะความทุศีลเนี่ยนะคือถ้าเราปฏิฆานิมิตนะจะนํามาซึ่งตานาทิบาต ที่สุดของของของโทสะหรือส่ใจโดยปฏิฆะนิมิตนะที่สุดของวัตถุนั้นคือโทสะถ้าวัตถุใดเป็นสุภาพนิมิตที่สุดแห่งวัตถุนั้นคืออธินาทานกับกาเมสุมิชฉาจยา์ถ้าวัตถุที่จะต้องพูดนะในที่สุดจะต้องเข้าวจีทุจริสีจนได้ถ้าไม่สมาทานเอาไว้ก่อนนะไม่สมาทานย้าว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย เป็นอารมณ์ของศีลข้องดเว้นจากปานาติบาตของเราทราัพย์ศีของผู้อื่นทั้งหมดคือวัตถุแห่งอธินาทานเจตนาศีลของเราอะนะบุคคลอื่น ท, ทั้งหมดที่ไม่ใช่คู่ครองเป็นวัตถุแห่งศีลของเราหรือถ้าเป็นผู้รักษาผู้ประพฤติพรหมจรรย์ก็บอกว่าเพศตรงข้ามทั้งหมดเป็นเป็นวัตถุแห่งพรหมจรรย์ของเราสิ่งที่เราพูดถึงทั้งหมดจะต้องเป็นที่ตั้งแห่ง วจีสุดจริบสมาทานอันนี้เอาไว้ให้ดีๆย้าเอาไว้บ่อยๆมากๆแม้กระทั่งอุโบสถก็เหมือนกันอาหารทุกประเภทตั้งแต่เที่ยงวันไปแล้วคือวัตถุแห่งศีลของเราเครื่องประดับเครื่องแต่งตัวทุกชนิดคือวัตถุแห่งศีลของเราควกเครื่องรูปไลายระเบียบดอกไม้ของหอมที่มาประดับประดาตกแต่งทั้งหมดคือวัตถุแห่งศีลของเรา ที่นั่งที่นอนใหญ่ข้างในยัดด้วยนุ่นและสำลีเป็นต้นคือวัดโถแห่งศีลของเราสมาทานย้ำไว้อย่างนี้บ่อยๆบ่อยๆถ้าย้ำอยู่อย่างนี้เป็นสิบปีหรือนานจนเรียกว่าไม่แน่นะบางคนเนี่ยย้ำอยู่ไม่กี่ครั้งเข้าถึงจิตเลยใช่ก็แล้วแต่ใครนะถ้าย้ำมากๆเข้ามากๆเข้าถ้าจะจุติโดยมีดอกไม้เป็นอารมณ์ก็ไม่เสียหายเอามีอาหารอร่อยๆเป็นอารมณ์เราก็ต้องสุขติเพราะนึกถึงอาหารนึกถึงศีลด้วยหรอศีลจะมาเลยใช่ไหม อาหารเป็นวัตถุแห่งศีลของเรานนะเพราะเราสมาทานรักษาศีลเพราะฉะนั้นก็เห็นอาหารอร่อยๆใครเอาอาหารมาเรานึกถึงศีลได้เลยเพราะเรามีสมาทานศีลข้องดเว้นจากอาหารในเวลาวิก兰เป็นต้นเนี่ยนะหรือถ้ามีดอกไม้ของหอมเป็นต้นเราก็จะไม่กลัวเอเพราะอะไรเพราะดอกไม้ของหอมเราสมาทานศีลไว้แล้วว่าเราจะไม่มาประดับประดาตกแต่งมารูปมาไล้เป็นต้นเนี่ยนะหรือแม้กระทั่งมี เสียงเพลงเสียงดนตรีเป็นอารมณ์เรานึกถึงศีลของเราได้เพราะศีลของเราเราสมาทานเพื่อไม่รับอารมณ์เหล่านั้นโดยสุภานิมิตแม้กระทั่งที่นอนสูงที่นอนใหญ่ก็ตามนึกถึงแล้วศีลของเราจะมาเลยถ้าเราสมาทานย้ำเอาไว้ดีๆเนี่ยนะนึกถึงอะไรสุขคติได้หมดถามว่านึกเห็นแสงไฟเห็นเปลวไฟมาเลยไปสุขคติได้ไหมได้เพราะเราเอาไฟเป็นพุทธบูชามาแล้ว นะตอนนี้โอ้ชอบจุดเทียนโปรดปางเป็นพิเศษเนี่ยนะเพรยังไงภาพไปเลิ่มขึ้นมาแล้วโอ้จุดเทียนไว้เยอะไม่กลัวละนะนะแล้วก็นี่ต้องหาปล่อยสัตว์เอ า, าเยอะๆกันนึกถึงสัตว์เออที่นั่นเราก็ปล่อยที่นั่นเราก็ปล่อยนะไม่งั้นะเดรัจฉานแนะ่นะะเมื่อวานปล่อยเปล่าปล่อยเต่าไว้แล้วแต่ว่าก่อนหน้านี้นะเก็บเต่าไปให้ข้าค่าตัวเบลลมเลยนะตัวเท่าไหนาบอกเท่าพวงมาลัยรถนะนะพึ่งปล่อยไปแค่สามตัวนิดเดียวเองนะ ยังไม่คุ้มกันเลย <c oughs> น, นะไสเดือนนี่ยังนึกไม่ออกว่าจะทำไงเนย <c oughs> นะก็ถ้าไม่เจริญกุศลเอาไว้มากๆนะเรารู้ไหมว่าก่อนตายเรานึกถึงอะไรก่อนเรากำหนดได้เลยไหม น, นะไม่แน่นะห้องน้ำอาจจะได้เราต้องเจริญธรรมะโยมคนหนึ่งนะ <c oughs> ห้องน้ำบ้านเขานี่มีแต่ธรรมะ <c oughs> ฝาเขาน ะ, าานะธรรมะไม่หมดนะน่ะ ห้องน้ำเช่นห้องน้ำเนี่ยใกล้ๆอาตมานี่ก็มีก็ติดธรรมะไว้ข้างๆฝาข้างๆอะไรนะก็ท่องได้ตั้งเยอะนะมันถ้าไม่ฝึกเจริญอะไรให้ดีๆในการรับอารมณ์นะมันชีวิตนี้น้อยนับคุณุไรว่างั้นว่าย้ําอยู่บ่อยๆนะชีวิตนี้น้อยนักเลยนะก็เป็นอย่างนั้นถ้าไม่ฝึกรับอารมณ์ให้ดีๆและลึกถึงกุศลศีลเป็นต้นนะถ้าไม่ฝึกคิดในเรื่องขันธาตุอายตนะสัจจะอินทรีย์ปฏิจจสมุปบาท เป็นต้นนี่น่าเห็นใจแต่เชื่อนนะักคิดในหนึ่งว่าโอ้โหทางออกจากอบายที่พระพุทธเจ้าสอนมากเหลือเกินย้ำอันใดอันหนึ่งรักษาอันใดอันหนึ่งไว้ก็เพียงพอที่จะค้าหรือเจริญพุทธคุณให้เห็นอยู่กับทุกอารมณ์ก่อนนักคิดในหนึ่งนะอารมณ์ทั้งหลายที่เราเห็นเห็นนะมันไม่เกินอะไรนะอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งราคะเป็นที่ตั้งแห่งโทสะเป็นที่ตั้งแห่งโมหะมันมีอยู่3าอย่างเท่านั้นแหละอารมณ์ในโลกนะ เป็นที่ตั้งแห่งราคะโทสะและโมหะเจริญพุทธานุสติได้เลยว่าอิทธารมอย่างนี้พระพุทธเจ้าไม่มีราคะหรอกนึกไว้อย่างนี้ไปเลยใช่ไหมอารมณ์ที่น่าเครืองขนาดนี้พระพุทธเจ้าไม่มีโทสะหรอกอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความลุ่มหลงนะพระองค์รู้แจ้งแทงตลอดหมดเพรา ะ, ะเห็นอารมณ์ไหนนึกถึงพระพุทธเจ้าได้หมดเลยถ้าเจริญบทนี้เอาไว้ก็ก็ดีนะพระพุทธคุณนําหน้าเลย อารมณ์เหล่านี้น่าปรารถนาสําหรับสัตว์ทั้งหลายแต่พระพุทธเจ้าตัดฉันทะราคะในสิ่งเหล่านี้หมดแล้ว น, นะคิดถึงพระพุทธเจ้าไว้อย่างนี้บ่อยๆ่อยๆเขาจะไม่ไปสู่อบายทุกติวินิบัตน์เนี่ยนะเพราะว่าพุทธเจ้ารักษาเขาก็จิตที่เขาคิดถึงพระพุทธเจ้านะจิตตัวนั้นเนี่ยพยุงให้เขาออกจากวัดตัดไดน้นถ้าไม่ไม่ฝึกเจริญไม่ฝึกคิดพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเป็นต้นนะ โอ้ยไม่กรุณาตัวเองบ้างหรือไงนาะเหมือนกันพ่อมานละ้วบางทียังคุยกับยมพ่อเลยยมพ่อไม่สงสารตัวเองบ้างหรือไงเนี่ยทำไมใจจืดใจดำจังเลยนะไม่กรุณาต่อตัวเองเลยนะทําแต่บาปอากุศลให้ตัวเองไม่กลัวตกนรกม้างหรือไงเนี่ยก็พ่อก็ยิ้มยิ้มอ่ะนะยิ้มไม่รู้แปลว่าอะไรก็ไม่ทราบนะเดายากมีบางท่านมาปรารว่าเนื่องจากว่าให้ รับอารมณ์นี้ก็ให้อยู่กับปัจจุบันเท่านั้นไม่ใช่นึกคิดนั้นเขาบอกว่าเขาเนี่ยถูกห้ามคิดมาละมาเป็นปีเขานั้นเมื่อถูกห้ามคิดอย่างนี้เขาก็เลยไม่นึกอะไรสักอย่างก็หยุดอยู่แค่ปัจจุบันเท่านั้นคือถ้าถามว่าน่าสงสารขนาดไหนถ้าเป็นเช่นนั้นจริงถ้าถ้าก่อนจุตินะจะจะอันตรายมากถ้าแค่ชีวิตธรรมดาทั่วๆไปแค่อยู่อย่างนี้นะไม่เสียหายหรอก ไอ้ที่ว่าไม่เสียหายเนี่ยคือดูเหมือนไม่เสียหายเพราะความเสียหายคนธรรมดาจะมองไม่เห็นแต่ถ้าอารมณ์อั น, นั้นเป็นก่อนตายเข้าพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์จะเสด็จมาข้างหน้าตาของเราเลยหรือก่อนก่อนจะตายเนี่ยนะเราต้องนึกไปหาพระองค์หรือพระองค์จะเสด็จมาหาเราคําสอนนะใกล้จะตายปั๊บเนี่ยวิ่งมาหาเราหมดเลยหรือเราต้องนึกไปหาคําสอนเราต้องนึกไปหาคําสอนอ น, นะ เขาบอกว่าหลายคนเขาเข้าใจผิดนะนะว่าคำว่าไม่ใช่ของเราเนี่ยแค่ไหนจึงเรียกว่าไม่ใช่ของเราเนี่ยอนาะจารย์ทันเด็กแปลคำว่าพุทธมามะกะธรรมมามะกะสังธมามะกะให้ฟังไหมก็ก็แปลว่าพระพุทธเจ้าของเรารัธรรมของเราประสงค์ของเราในเบื้องต้นเนี่ยนะถ้าไม่เอาตรงนี้มาเป็นของเราบ้างเลยนี่เย้นะ อะไรอะไรก็ไม่ใช่ของเราหมดเนี่ยต้องฝึกคิดให้ดีๆนะหนักๆเข้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่ของเราทั้งหลายจงละพระพุทธเจ้าซะเนี่ยนะอันนี้ห้ามคิดแบบนี้เด็ดขาดนีนะคิดอย่างนี้เสียหายมากกั น, นะเพราะฉะนั้นนะตุมหาตุกะสูตรนี่ก็ใช้ให้เป็นนะถ้าใช้ไม่เป็นเดี๋ยวจะเสียหายมากมากแล้วก็มันละลึกเธอมันละลึกน้อมจิตมาหาน้อมจิตไปหาพระรัตนตรยัยบ่อ ย, อยๆอนะถ้าเราไม่ฝึกน้อมจิตคิดแบบนี้นะ เดี๋ยวมาดูสูตรนี้ต่อไปสมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดังนี้ว่าพิกสูตรทั้งหลายบุคคลผู้มีศีลมีคติสองอย่างเหล่านี้คือเทวดาและมนุษย์คนนะเทวดาและมนุษย์ถ้ามองอย่างนี้นะทุกคนเนี่ยมาเนี่ยเป็นผู้มีศีลมาก่อนเลยจึงได้มาเป็นมนุษย์ที่แล้วนะถ้าท่านทั้งหลายไม่มีศีลท่านไม่ได้เป็นมนุษย์หรอกนะก็มุทิตาได้เลยว่าทุกคนเนี่ยเป็นผู้มีบุญรักษาศีลมาแล้วจึงได้มาเป็นมนุษย์เหมือนกัน นายบ้านบุทของบุคคลผู้ถือดาบในนิคมเมืองนารันทาได้กล่าวคำนี้กับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพรามทั้งหลายผู้อยู่ในพื้นที่หลังบ้านคือเรียกว่าผู้อยู่ปัจช้าภูมินะถ้าเป็นศับนะครับมาจากชาวปัจช้าภูมิเนี่ยนะผู้ถือการน้ามีมพวงดอกสาหรายลงน้ำเช้าเย็นบาเรไฟมีอยู่พรามเหล่านั้นย่อมทา ให้คนที่ตายแล้วพ้นจากโลกนะให้พ้นจากโลกมนุษย์ไปบังเกิดบนสวรรค์ย่อมให้เข้าถึงสุขคติด้วยดีย่อมทําให้เข้าถึงสุขให้ไปสู่สวรรค์หมายความว่าพรามชาวปัจฉาภูมิเหล่านี้เนี่ยนะโอ้เก่งมากเขาเนี่ยเป็นพวกถือกาน้าถือดอกสาหลายลงอาบน้าเชาวอาบน้าเย็นบาเรอไฟบูชาไฟเนี่ย ถ้าใครไปทําบุญนะพวกนี้รับพาคนตายไปสวรรค์นะพาคนตายไปสวรรค์ดึงพวกนั้นจากอบายไปสู่สวรรค์หมดเออนี่ไม่ใชส่สมัยพุทธกาลอย่างเดียวนะที่ขายสวรรค์แบบนี้นะสมัยนี้ก็ไม่ใช่น้อยเอางี้นะข้คุณมาท่องาคาถาคํานี้นะโอยยกบรรพบรุษเจ็ดชั่วโครตรไปสวรรค์หมดเลยกลา ง, งันสมัยนี้ก็โอ้หมดสตังไปเยอะเงี้ยพากันซื้อสวรรค์กันบานเนี่ยนะ ก็พิธีทั้งหลายแหละก็คือพิธีโยงคนตายไปสู่สวรรค์นะเพราะฉะนั้นนายบ้านคนนี้ก็เลยถามพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นธาตุหันตรัสรู้โดยชอบโดยพระองค์เองย่อมสา ม, มารถเพื่อกระทําให้ชาวโลกทั้งปวงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์หลังจากตายไปเพราะกายแตกหรือพระองค์เนี่ยปฏิญาณว่าเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ช่วยให้คนตายไปแล้วขึ้นสวรรค์ได้ไหม นนะพระองค์เนี่ยดูเขาก็าถามดูนะแข่งกับพวกสมมาณาพราหมณ์พวกนั้นได้หรือเปล่าสั ม, มาณาพราหมณ์พวกนั้นเขาโฆษณาตัวเองหลือเกินว่าเขานิ่พาคนตายไปสวรรค์ได้นั่นที่จริงนะก็ก็เป็นอย่า ง, งนะี้นะของมาสมัยเด็กๆ เ, เลยนะเขามีแถวแถ ว, แถวโมบ้านเนี่ยเขาเรียกว่าสวดโยงหมายถึงคว่าโยงเนี่ยโยงจากนรกขึ้นสู่สวรรค์เขาก็มีคาถาว่าโยงจากนรกสวดอะไรบอกสวดบท ว, ว่าอิเมนีรเยคำว่วา ถ้าโยงขึ้นสวรรค์นะ่ะก็บอกว่าสวดอเมจาตุล ม, มหาราชิกาในเราสมัยเด็กๆก็ไปเที่ยสวดตามงานต่างๆอนะก็เป็นเนร์นะเขาพาไปสวดว่าก็เข้าไปเนี่ยนะตอนหลังมาแปลได้เขาบอกว่าสวดโยงเราก็มานั่งนึกดูอเมนิระเยอัาเนรเยเป็นต้นนะก็สวดอ้าวอินนรกทั้งหลายนะอนรกทั้งหลายเหล่านี้มีแปดคือ สันชีวานรกกาลสุตานรกโลรุวานรกมหาโลรุวารรกสันตาปานรกต่ไล่อย่างนี้ขึ้นมาเรื่อยใช่ไหมก็แล้วก็เจริญเมตตาขอให้สัตว์นรกเหล่านั้นทั้งปวงจงอเวราโหนตัวอภพยาประชาโหนตัเป็นต้นนะแล้วมันโยงออกมาจากนรกได้ยังไงก็ไปเจริญเมตตาให้สัตว์นรกแต่ว่าประเพณีตรงนั้นเขาถือว่านั่นคือการโยงออกจากนรก แล้วก็ส่งขึ้นสวรรคนะ์อิเมจาตุ ม, มหาราชิกาเทวาตาปติงสาเทวาก็มาบอกเออสวรรค์นี่มีหกชั้นนะมีจาตุมดาวดึงไล่ไปอย่างนี้แล้วก็เจริญเมตตาอีกนี่คือการส่งไปสวรรค์บอกว่โหมันเป็นเอาขนาดนั้นแล้ว น, นะนะก็คือมันเข้าใจผิดอะไรไปเยอะเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็เลยเหมือนกับว่ารับจ้างดึงจากนรกพาสู่สวรรค์แต่ที่จริงแล้วในบทเหล่านั้นไม่ได้เสียหายหรอกแต่ว่ามันมาเป็น เรียกว่าเอาคําสวดเหล่านี้มาเป็นพาณิชย์ไปแล้ว เ, นะเอามาทําการค้าเขา้าอันนั้นในบทสวดเหล่านั้นไม่ผิดอะไรแต่ว่าไอพิธีรอบเบื้องหน้าเบื้องหลังมันเป็นการค้าเพราะบทเหล่านั้นเนี่ยเป็นบทเจริญเมตตาให้แก่สัตว์นรกเป็นบทเจริญเมตตาให้แก่เทวดาเนี่ยนะอันนะั้สัพเพวินิปาติกาเนี่ยนะก็ในถ้าอย่างใน ปฏิสัมพิธามากเลยไหมก็วินิปาติกาอเวราหุนตัวอภยภาะชาหุนตัวอนิฆาหนตัวสุขิอัตนางปริหารตุก็เป็นการเจริญเมตตาให้แก่เหล่าสัตว์อบายนนเป็นการเจริญเมตตาให้แก่สัพเพเทวาสัพเพมนุษย์สัพเพวินิปาติกาก็ให้เทวดาให้มนุษย์ให้วินิบาตทั้งหลายอเวราหุนตอย่าได้มีเวรเลยอัพยภาะชาหุนตัว่าได้เบียดเบียนเลยก็คือเป็นการหวังดีตั้งกัลยาณจิต ตั้งเมตตาจิตปรารถนาให้หมูสัตว์เหล่านั้นมีความสุขอันนั้นเป็นการเจริญเมตตาใช่ไหมแต่ว่าในยุคนี้เนี่ยถือเอามาเป็นพิธีดึงจากอบายานะนะแปล ว, ว่าฉุดจากอบายส่งขึ้นสู่สวรรค์นะพวกพราหมณ์โบราณสมัยพุทธกาลก็มีพิธีกรรมอันนี้เนี่ยนะก็คือคาสวรรค์เนี่ยนะเออมียุคทุกยุคทุกสมัยนะคาสวรรค์เนี่ยนะสมัยพุทธกาลก็มีก็ถามว่าพระพุทธเจ้านี่ทําอย่างนี้ได้ไหม พระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนนายบ้านถ้าอย่างนั้นเราจะถามกลับแก่ท่านในข้อนี้ะถ้าท่านมีความเห็นอย่างไรก็ให้ตอบตามนั้นนะนะดูก่อนนายบ้านท่านย่อมคิดเห็นซึ่งข้อนี้อย่างไรบุรุษในโลกนี้เป็นผู้มีปกติรำปาณาติบาตท ร, รมัทินนาทานประพฤติผิดในการมพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคาหยาพูดเพ้อเจอ้อมียทิชา ม, มากมีใจพยาบาทมีความเห็นผิด หมู่มหาชนมาชุมนุมรวมกันแล้วพึงอ้อนวอนพึงสรรเสริญพึงประนมมือสการะบูชาบุรุษนั้นว่าบุรุษนี้จงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์หลังจากตายเพราะกายแตกดูก่อนนายบ้านท่านย่อมคิดเห็นข้อนั้นอย่างไรว่าก็บุรุษนั้นพึงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์หลังจากตายไปเพราะกายแตกเพราะเหตุแห่งการอ้อนวอนเพราะเหตุแห่งการสรรเสริญ หรือเพราะเหตุแห่งการปนมือสักการะบูชาแห่งหมู่มหาชนนั้นบ้างหรือนายบ้านก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อนั้นไม่พึงมีเป็นไปได้ไหมน่ะตายไปแล้วตกนรกชาวบ้านอยู่ทางนี้ก็พากันอ้อนวอนขอให้สู่สุคติขอให้สู่สุคตินี่นะแล้วจะไปตามสุคติตามคําอ้อนวอนของคนเหล่านี้ไหมนี่นะก็ฆ่าสัตว์ไว้ก็เยอะอาทินนาทานไว้ก็มากกาเม่ก็เยอะมูสาวาตก็มากตายแล้วไปสู่นรกใครจะไปอ้อนวอนอ่ะ ขอให้ท่านไปสุกติโลกสวรรค์ขอให้ท่านไปสู่สุกติโลกสวรรค์มันจะเป็นไปได้ยังไงพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนนายบ้านบุรุษพึงโยนก้อนหินใหญ่เนี่ยลงไปในสระน้ำที่ลึกโมมหาชนมาประชุมรวมกันแล้วพึงอ้อนวอนพึงสรรเสริญพึงประนมมือสการะบูชาก้อนหินนั้นด้วยคำว่าก้อนหินผู้จเจริญจงโผล่ขึ้นมา นะก้อนหินผู้เจริญจงลอยขึ้นก้อนหินผู้เจริญจงลอยขึ้นมาบนบกนะได้โปรเธอก้อนหินนะลุกขึ้นเธอรู้กันนะลอยเธอลอยเธอเนี่ยกระโดดขึ้นมาบนบกเลยนะขณะคุยกับ ก, กบโดดเป็นยังคุยไม่รู้เรื่องเลยนะจะกลา่าวไปย้ยถึงก้อนหินนะัดูก่อนนายบ้านท่านย่อมคิดเห็นข้อ น, นั้นอย่างไรว่าก้อนหินใหญ่นั้นพึงพโผล่ขึ้นพึงลอยขึ้นหรือพึงลอยขึ้นบนบกเพราะเหตุแห่งการอ้อนวอนเพราะเหตุแห่งการสรรเสริญ หรือเพราะเหตุแห่งการประนมมือสักการะบูชาบ้างหรือในบ้านก็กราบทูลว่าถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อ น, นั้นไม่พึงมีโอ้ยเป็นไปไม่ได้หรอกพระเจ้าข่ามันพระองค์ก็ตัดว่าฉันใดก็ฉันนั้นนั่นแลลวบุรุษในโลกนี้เป็นผู้มีปกติธ ร, รมปานาติบาคือฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการพูดเทศพูดซอเสียพูดธรรยาพูดเพ้อเจอมีอภิชามมากมีใจพยาบาทเป็นมิจฉาทิฏฐิ โมูมหาชนมาชุมนุมรวมกันแล้วพึงอ้อนวอนพึงสรรเสริญพึงปนมือสการะบูชาบุรุษนั้นว่าบุรุษนี้จงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์หลังจากตายเพราะกายแตกแม้ก็จริงถึงกระนั้นบุรุษนั้นก็พึงเข้าถึงอาบายทุกติวินิบาตนรกหลังจากตายไปเพราะกายแตกเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถอ้อนวอนให้จัดในอาบายไปสู่สวรรค์ได้หรอก ถ้าเขาทำชั่วมากๆเนี่ยนะไม่รู้จะไปอ้อนวอนว่าอย่างไงขอให้ท่านไปสู่สุคติขอให้ท่านไปสู่สุค ต, ติมันจะเว้นไปได้อย่างไรเนี่ยนะ